สาระประโยชน์การฟังมธรรมนี่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมาเราไม่จะมองเพื่อเห็นวัดจะเรื่องของชจ้าวัดจะเรื่องของคนที่มีความทุกข์คนที่ไ ม, ม่มีทางขอกชีวิตอันั้นก็ถูกต้องในส่วนหนึ่งการฟังมธรรมนี่ก็คือปัจจเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเร า, า, า, าเราสาาสอนเรื่องตัวเราทด้เลย เราได้รู there, so аж, sort of Donc, ้จ so ักตัวเองความรักเปเสมือนเปตกเราที่สะท้อนถึงชีวิตชีวิใจของเราให้เราไปรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเว่าเราได้ทําบุญสูงสุดเลยถ้าไปรู้จักตัวเองแล้วก็เราจะเป็นผู้บาปไม่ร้ายไม่เีอะไรเลย จากการไม่รู้จักตัวเองความรุ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกายก็ดีทุกใจก็ดีโดยเฉพาะทุกจะน่าตืนใจอย่ามใดที่เราเป็นรุ่งเมไหรแล้วก็อย่ามนั้นถะบอกว่าเราไม่รู้จักตัวเองที่แท้ถ้าหากว่าเรารู้จักตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็ใจเราก็จะเป็นคุณจะมีอิทธิพลสูงสุดจะเกิดขึ้นตรงนั้นสุ่ใดไม่มากกว่าการเมื่อรู้มาเข้าใจตัวเราเอง มีพุทธภาษีกล่าวไว้ว่ า, ออานนรักอื่นเสมอตอนแข่ดีตอนเนี่ยเป็นที่รักอย่างที่ตอนเองเป็นที่รักอย่างนี่การที่เราบอกว่าเรารักคนวอื่นมากกว่าตัวเราอาจจะเป็นคําพูดแต่ทรจริงเนี่ยเรารักตัวเรามากกว่าเรารักอารมณ์ของเรามากกว่าใจว่า เวลาที <í S 1> ario, ่เราเด็กช่วยเหลือผู้อนมีความหวังแล้วก็ปรับปัญาให้เขาอื่นเราก็คิดที่จะช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเราช่วยเหลือก็ไม่ได้เราต็ดเป็นจุราะนนี้มาดูตัวเราที่ช่วยเหลือเขาเพราะว่าเราต้องการจะช่วยเหลืออารมณ์เราเองให้ได้อย่างใจมากเมื่อช่วยแล้วไม่ได้อย่างใจมาก็จะเป็นจุดและพยาามจะแก้ปัญหาให้มันผูกใจเ ศาสนาบางศาสนาเขาบอกว่าจะต้องเห็นผู้อื่นดีกว่าเห็นตัวเราเองดีกว่าแสดงว่าเราเห็นแก่ตัวใช่ไหมถูกต้องไหมเราต้องเหผู้อื่นไว้ก่อนประโยชน์เพื่อไว้ก่อนประโยชน์เรามีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภายนอกล้วก็ถูกต้องแต่ถ้าอออมองเองซึ้งถ้าประโยชน์ตัวเองไม่สาเร็จเราจะเชื่อผู้ื่นได้อย่างไร เมื่อเรามีความป่วยไข้ร่างการไม่พร้อมจิตจเราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราจะช่วยคนอื่นให้เข้ห า, ายทุกขได้นนไหมเราไปเยี่ยมคนไข้แต่หน้าตาเราบอกคือว่าเป็นทุกข์กับคนไข้เร า, าไหวน้ำไม่เห็นแต่จะช่วยคนตกน้ำแต่ที่จะช่วยเหลือเขได้สำเร็จครับกอดออมจมนะสามากีกันตายนั้นเระเบียบกว่ เราต้องมาฝึกตนเองรู้จักตนเองเข้าใจาตนเองช่วยเหรือใจเราเองทำส่วนนี่ได้หละเรือการช่วยเหลืออืนๆนไม่ยากถ้าใจเร า, ป เ, ราเป็นทุกข์เดียวก็ขอเพ็ยแค่ให้กำลังใจเขาอยา่ขาไปเอาความทุกข์เขามาแหมไปติดในใจเราเราจะป็นทุกข์จักของเขาเนหะ็น ไ, ไหคนไข้ว่าคนเด็ดหน้าตาเขาเบิ่งบา แต่ว่ารางการเขาป่วยจะดูไม่ได้แต่คนไปเยี่ยมเนี่ยทำใจไม่ได้พอทราบข่าวว่าคนนี้เป็นมะเร็งใจผู้ที่ทราบข่าวเนี่ยมันตกผู้ลงไปแล้ววานนั้นถึงภาพคนเป็นมะเร็งจะต้องร้อโอดโอยหน้าเพ่งเพลียพอไปวันดูเข้าไปเยี่ยมคนที่เป็นมะเรเะะ็งโอ้เขาหน้าตาเบิกบานจิตใจคนไปเยี่ยมเนี่ยตับอักเสบต่า ง, า ง, า ง, า ง, างกว่าที่เดิม เราม่เรียบเลยแล้วนะเรามาแล้วนั่นเธอไมต้อตัวพูดจาปลอบใจถ้าไใจไม่ดีแต่คนที่เป็นไนี่ยก็มีเปลี่ยนใจโอ้นั่เป็นอะรลองไอ้ความเปลียนใจเี่ใจเรื่องธรรมดาเธอไม่ต้องเสียใจเราในโลกนี้แค่เนี่ยเราสามารถชนะมันได้เราสามารถผ่านอาการเราได้คนไข้ปลอบใจโดยทันทีเพราะฉะนั้นหลักงเราคือ แนวทางนะครับต้องปนานั้นพ้องช่วยตัวเองและก็ช่วยผูอ้อื่นแต่บาครับเราสามารถช่วยตัวเองด้วยแล้วก็สามารถช่วยผูอ้อื่นในขณะเดียวรับเราช่วยเรื่องเแลนเรื่องตองไม่ได้ไม่ช่วยเรื่องการอะไงเงี้ยเราไม่สามารถจะแบ่งเางงบาความรุ่งจากเขาได้เราต้อให้กำลังใจอย่างตปอนตอนเนี้ยธรรมะเนี่ยเขาสอบตอนที่เรากจับมนุษย์ตัวเอง เรียนรู้ตัวเราเองแล้วจะเข้าใจคนอื่นการเรียนรู้ตัวเองให้รู้จักนะั้นเราจะทำอย่างไรก็จะขอแนะนำไว้ทักงสามวิธีตอรู้จักตัวเรเองได้อย่างอยเราสังเกตดูให้เราสังเกตดูว่าสังเกตเกตับคนรอบข้างว่าเขามีปฏิทยี ย, ย่างไรกับเราพราะว่าเราถ้าเราทำปฏิทยายังไรออกไปแล้วเนี่ยคนรอบข้างเนี่ย เขาจะมีส ต, ติญาต์โต้ตอบกับเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเราเฉยไปกับเขาเขาก็เฉยไปกับเราเหมือนกันเราช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเราเรียนรู้จากคนรอบข้างรอบตัวเราเป็นคนที่พูดจาหลอกหลอนตลกสนองไร้สาระคนรอบข้างพูดเราอย่างนั้นเหมือนกันถูกไหมเจอหน้าก็หาเรื่องตลกมาคุย เราชอบคุยเรืการเนีพอเจอหน้าคนนี้แล้วคนที่เราคุยเรื่องการเมือง เ, เขาก็จะพูดถึงกีฬาเสีระหว่างสีเหลืองสีแดงกันแข่งกันให้จุดเราพูดจริงจังกับเขาเขาก็จริงจังจริงใจกับเราแต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกบางทีเขาก็เสแสร้งแล้วก็แสดงความไม่จร่งใจกับเรา แบบภาพก็างนอกบอกว่ากับตามสมบุติ์รอยยิ้มให้เขาบางทีของพี่โยมยิ้มให้เราแต่เขาเปรี่ใจเราโค้าโจ๊เกอร์ก็รอย ย, ยิ้มให้เราด้วยปางทีเราหวังดีกับเขาอยากจะเป็นคนที่สั่งสมมูลมากๆเขาไม่เคยให้ทางไม่เคยรักษาศีลเราหวังดีกับเขาปรารถนาดียื่องควาปราให้กับเขาบางทีาก็หลังคานะ จะทำด้วยความจับใจอ่ะอ่านคู่มรณะดิ้นนะมันก็ยังไม่แน่นอนเรมอไปนะแต่ว่าส่วนที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ออยังมีสังเกตคอยลอกธาตุคนใกล้ตัวว่าก็มีธาตุอีอะไรกับเราบางที่เราจะเข้าใจไปอีกแบคนึงอันนี้เป็นวิธีหนึ่งไม่ได้ยอีกวิธีนี้ก็อาจจะต้องคอยฟังคอยฟังําแนะนำตัดเตือนจากกาลยา น, นุริษี หรือท่านผูรู้ทั้งหายรี่เาต่างเนนรักา ร, าริคือผู้ที่มีคุณธรรมมีความคิดที่เรื่อกุลผู้อื่นไม่เอาเปรียบไม่เจีตัวพู้มาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเราต้เชื่อฟังคำแนะนำจากเขาถ้าหากว่าเราได้รับฟังคำพูดจากการะิคแนะนเราปรกากอบข้ชี้ขู่ตังต่ก่น พอในแง่ดีว่าเขาจีบหมูตกับเราเขาตัดเตือนเราไปดีแล้วเราจะได้เด็กข้ อ, ข อ, ข, อของตนเองแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นถ้ามองมดีๆนีะมีประโยชน์ในคำตัดเตือนถ้าเขาพูดปิดเราก็ไม่เสียหายเข <c oughs> าผิดอยู่ดีเขาถ้าเขาพูดฟูมตัดเตือนฟูต้องเราก็จะออกมาแก้ปัญหาได้ความ คำเตือนจากกาลยานี้อย่ามึนติดปัจจุบันใจครับไม่ได้พยายามแก้ตัวรับฟังไว้แล้วลองแก้ไขดีกว่าจะมีประโยชน์มากอันนี้ก็ดีในขั้นียวแล้รู้จักตัวเองได้โดยสายตาของคนอื่นที่มองวัดวเองอีกประการนึ่งก็คือการทำควารู้จักตัวเองนัะให้เห็นตัวเองนั้นจะต้องอาศัยการหมั่นอากพิจารณาพิจารณาสังเกต ดูตัวเราด้วยจิตใจที่เป็นกลางใจเรารู้ความรสึกของเราในใจที่เป็นกลางใจเราเนี่ยเขาจะบอกข้าพแท้ออกมาถ้าเราทำใจเป็นกลางคอยสังเกตดูพิจิตเนแ่ยเป็นทีทีดด่ดีที่สุดเลยเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอนี่สำคัญนะการที่จะมาดูตัวเองด้วยใจที่เป็นกลาง แต่เร่าเป็นการกปฏิบัติธรรมก็ได้เป็นบัติธรรมก็ได้ก็คือการมีสมติเรื่องรู้อยู่ในตัวเราการมีสมติดูตัวเราเนี่ยจะจะเป็นกลางสติทั้งไม่ใจเป็นกลาสติแปล ว, ว่าความระลึกรู้ลักเล็กรู้อะไที่มันปรากฏ ข, ขึ้นในความรู้สึกของเราเคยเราทำไหม <c oughs> แล้วรู้รู้ดูในความรู้ของเราชื่อเราเราโกรธจนยั ต้องโกรธบาทีเราไม่รู้ทังในความโกรธของเราไม่รู้ทางพยายามหาอฏิญญาตอกเพียงเอาชนะความโกรธโดยการทําตามความโกรธไปพูดไปทําร้ายแล้วความโกรธมันก็หายได้เหมืกอกันแต่ขอวิธีนี้เองนะวิธีที่แก้ปัญหาความโกรธไดม้มันแก้ได้จริงหรอป็นชั่วคราวบางทีมันเกิดประกาใหม่ เื่อเราไม่มาดูตัวแบบเป็นกลางหาวิธีการกรวเการดูสติสังเกตความรู้สึกของเราเนี่ยต้องใจต้องเป็นกลางจริงๆคือความเป็นกลางเนี่ยเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ฟูแฟกๆไปตามอาการของจิตจิตที่แท้จิตนั้นเนี่ยมันมันเป็นปกติจิงที่เป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นกลางแต่สิ่งที่กิดปกติคืออา์ อารมณ์ที่มันจอตาเนี่ยมันผิดปกติเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจมันเวียนซ้ายเลียนขวาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างส่วนที่พอใจก็ฟูส่วนที่ไม่พอใจเขาแปะอาการฟูฟูแปะแปะนั้นคือจิตที่มันหลงอารมณ์ไม่เห็การเราหยุดจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันคืออารมณ์ภายนอก สติผู้รู้เนี่ยตั้งมัม่นรู้อยู่เราจะเรียนรู้จากตัวเองได้จากภาพมิจใจหรือการกรต่ายที่มันแสดงออกสตินเนี่ยสามารถแยบค้นคว้าเอาภาพแท้ของที่ิีใจเรามาตีแผ่ใ้เราไม่รู้สึกได้เป็นตัวเอาเราเราปนน็คนอย่างไรเราสามารถทําในที่เป็นกรรมวันเลยขณะทําหนี้การงานเนี่ยเราก็มีสติรู้จิต ร, รู้ใจเราได้ ไม่อเราไปยึดมั่นอยู่การต้องเป็นวั่นต้องไปท่อาคลอดฝันที่ผัดและก็ไปทําตามรูปแบบอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสก็เปลีนตัวใหม่แต่การอยู่ในรายงานงเราเนี่ยมีประโยชน์มากค่อยสังเกต ด, ดูใจเราสังเก ด, ดูใจเราหินที่เป็นกลางพอเนี่ยมันจะประกอบให้สติเราจะเห็นมันจะเกิดการสัมผัสกับอารมณ์ที่แท้จริงของเราในลึกซึ้งไม่ใช่ความคิด ถ้าเป็นความคิดเพื่ออารมณ์ถ้าเป็นจิตที่รู้เฉยโดยไม่อคติมีร้ายเนี่ยมันจะสัมผัสได้ชัดเจนวาเราจะเห็นภาพแท้หรืออปุปนิสัยของเราตามหลักพระพุสธศาสนานั้นถ้าบอกว่าคนเราเนี่ยมีอปุปนิสัยหรือจริตอยู่หกแฉกอยู่นี่หกแฉกนี่มันโตงกับใครบ้างนะอ้นี้เอาหลัก อำว่าัาสนามันเป็นบรรทัศนฐานแต่เราก็ลองสำรดจดวัใจเราเ น, นี่ยมันโตกับนะไะไม่มีวินไม่มีดูทุกคนวดูในใงผมนีนะครับขดับแรกสลิงแรกคือพอสังเกต ด, ดูนะเรจะเห็นว่าบรคคนเนี่ยเป็นราคะสลิงคำว่าราคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพศเรื่องความยินดีใิใจความยนดีิใจนั้ น, นาจจะเป็นเรื่องทางตา สิ่งที่สวยงามท า, งทาง้งหูทั้จมูกสิ่งท่อองอ า, า, า, า, อ า, า, าหารท้อร่อยก็ได้ไม่เกี่ย ว, ะะวกับเรเปลี่ยนอะรครคือความกังวลต่าี่ีที่มากรบ ท, ทบั้งตาทังหูคัจมูกทั้ทงวิ้นกายทังใจคทีม่มีราาสิเนี่ย د. จะมีอาการ ต, ต, าติดตามาเมื่อเวลากระทบกับอารมณ์คุที่จะรักสวยรักงามรักสวยรักมอารมณ์ สเปนไปคนเขาง่ายนะเจ้าชู้มักมองโลกในแง่ดีเจอที่ไหนก็ดีนะดีหมดชอบความสวยงามมีความสวยงามนำหน้าเราไปอย่างนั้นไหมใครเป็นก็ต้องบอกในใจว่าอ๋อีนเรามีส่วนตรงนี้นะชอบความสวยงามข้อความเป็นเรียบร้อยผรงไหนเป็นดี้ป็นกลางให้ดีสิ่งที่เลวร้ายสามารถมองให้มันดีได้ เป็นที่ติเป็นโอกาสได้สิ่งที่เขารังเกียจกันแต่เราสามารถฟ้องให้เป็นสที่รักกันได้ไอันนี้คือพวกราคาถลิกชอบความสวยงามสิ่งต่อไปก็คือพวกที่โสดถลิกเป็นคนโกรธได้ที่โกรธเจออะไรก็โกรธอินบิดัดบังคายไม่พอใจหาเรื่องโกรธมาพึ่งตะเกยใจร้อนมีชอบทำอะไรที่แต่ ว, ว่าชอบทำแบบ แล้ชอบความรุนแรงชอบทํำลายพุคคลเหล่านี้ยมักจะมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนเจ้าทุกคนที่โกรธเนี่ยเป็นคนเจ้าทุกเพราะความโกรธเนี่ยคือที่มาขอความทุกข์ราคากรดินะ่นั้นเป็นคนที่มักจะมีความทุกข์คนที่โกรธเนี่ยมันจะมีความทุกข์หน้าตาเหมือนหมอบาคนเข้าไปใกล้แล้วรู้สึกร้อนเขาไมไ่พูดเลยรนะขเขาทำให้เสยหลงร้อนแค่สั้ น, นะ คนที่เข้าไปใกล้มาหินมากร้อนได้อย่างไรที่เขาไม่ทำอะไรเราเลยรู้สึกร้อนบาทีเราพยายามพูดกับเขาแต่เขายิ่งเขาเฉยเขาไม่รู้มิติเขาเก็บความไม่พอใจไว้ในใจพ่อแค่เย็นเนี่ยไปคุยกับเขาคุยกับคนิโทตัดติดเนี่ยเขาไม่ได้คุยด้วยบาทีที่ทำให้เราพูดไมออกเราเมียนเรื่องออกการตื่นเข้าไปใกล้แล้วถึงมากร้อนบางประเภทนี่ก็คือพวกโมหะตลทธ พวกหมออาตาริเนตพวกพี่ง่วงซึมเตาพออะไรก็เซ็งห่วงเหาเหานอนไปไหนก็นอนคอพักคออ่อนไม่ย่อ่อน้อนนะคอพักคออ่อนหลับตะลึกที่ร้อนก็หลับได้ที่เย็นก็หลับดีที่วุ่นวายก็หลับได้แถ <c oughs> วพวหมออาตาริคุกับงนใดไม่ชอบที่อะไรมากไม่ชอบปรุงแต่ง ถึงเวลาหลับจะคุยสักหน่อยหลับกันแล้วผนะู้หายตาลิตไดเห็นไหมมันังไม่เยเนี่ย <c oughs> ไอกลุ่มที่4หรือกลมเด้รียกว่าผู้ที่จริญผู้ที่จริญคือผู้ที่เจ้าปัญญาเป็น ค, คนเจ้าปัญญาพวกนี้จะมีอารมณ์ที่หนักแน่นจิตใจเข้มแข็งหนักแ น, ใ น, ก น, กใ น, ใน่นเจ้าเหตเจ้าผล มีเรื่องอะไรก็เอามาคิดยกไปเหตุเป็นผลเพราะกลิ่นนี้เป็นเคยเดิมนี้ชอบอธิบายชอ บ, ธบอธิบายบางทีเราอธิบายคนที่มีผู้่กระหลิกนหรือปัญญากลิ่เนี่ยบางทีคนฟังอยู่ในห้องน้ำมาอย่าเพิ่งเข้าขออกมาพูยคุยเรื่องกอ่อนอะที่ทางนีชวนคุยชวนอธิบายข้าเหตุถาม ข, ของเจ้าปัญญาประจิตใจหนักมากไม่เชื่ออะไรง่ายง่ไม่เชื่ อ, อ ต้องชอบถเถียงโต้แย้งนะคนที่มีความรูร้นในการนี้อยู่ด้กันไม่ได้ครับเสียเอาทฤษฎีมาเล่น ก, การกันเอาปีนเองภูเอาเงย้องคนเพื่อจะเอชนะแต่ใจเ น, นี่ยมีแต่ความร้อนรูปนะคนที่มีความรูม้มากๆเดียวเข้าใกล้เราก็ร้อนนะอะันนี้ว่ผู้ที่จะมีปัญญา ก, กล้าก็มีความคิดกว้างอันที่ห้าก็เป็นผู้ที่ศรัทาธาจริง พวกหี้เชื่อได้มีความเชื่อได้ชักจูงง่ายมีความผ่อนหวายในอารมณ์พวกศรัทธาผลิตเจอต้นไอ้ที่แปลกๆอะไรก็ไหวเอาผ้าเหลืองมาติดเอาโลภูนชาเอาเป็นสัมฤทธเลยใครพูดชักจูงก็เชื่อได้คนที่ไม่ใข้ตัวผ่อนหวายง่ยศรัทธาผลิต อันนี้บอกว่าวิตกทะเลคนที่เป็นเจ้าความคิดเป็นเจ้าความคิ ด, ค, ดคิดตุ้มซ้าที่ตกกังวลคิดโมกวนจับจับจนจนจนิต ใ, ใจวมกแมกไม่อยู่เ ล, นลยนะตอนชอบกังวลคนที่ก็เป็นคนเจ้าเหมือนกันคนทุกคนเนี่ยอาจจะมีค้งทั้งหกสิบก็ได้แต่ว่า มันจะ่เหมืกันทว่าไม่ใช่จิตปัญญันนำหน้าอะไรที่นำหน้าก่อนอันนั้นคือจิตที่ใส่ของเราสติเนี่ยสามารถสัมผัสได้ว่าถ้าแทฝงเราเนี่ยไปขุดจิตไหนนะสติสามารถรู้ได้อันนี้การเรียนรู้จากตัวเราเองเรื่องสัยหลักธรรมะคือการเจริญสติและเมื่อเข้าใจตัวเองเราเนี่ยเราสามารถเข้าใจจิอยู่ได้ด้วย ในอาการที่เขาแสดงออกทางกายทางวัตถ์ถ้ามีสติรู้ตัง้งทันความรู้สึกตัวนี้นะเราก็เราจู้จักรละอายนะเราจะไม่ยอมปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันแรกออกมาทางกายทางวัตถ์พยายามสงบเก็บสิ่งละเอียดไว้ไม่ร่วง ม, มันทางกายทางวาจา์ไม่นําสิ่งอะไรไเปเบียดเบียนใครเดือดร้อนคือสติรู้เท่าทันที่เราตั้งใเขา ดูดาว่ากล่าวเขาหรือทําลายเขาเนี่ยก็ราะเราสติที่รู้เทอาพันจริตของเราเรือ่องบางอยา่างมันน่าโกรธแต่คนที่สติรู้ทําในจริตไปเนี่ยเขาก็ไม่กลรธแต่เขาเรียนโรกรธได้หมดควบคุกาวางใจให้มันเป็นปกติไม่เด็ดเดีย่ยวเขาเรียนให้เห็นดร้อเมื่อไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเราเป็ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแต่รู้เท่าพันแค่จิตกับคุณอยู่ใน ใ, นใจ นึกอยากจะฆ่าหรอทำลายมันก็ไม่ตอบเพราติวเอรู้ทันเห็นสิ่งที่ยั่วยุเองอยากจะรับขโมยก็ไม่รับขโมยรู้สึกละอายเห็นคนอื่นสวยงามรักเขาแต่จะเป็นเจ้าของก็รู้สึกละ อ, ยอายจะพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอเสียพูดเฟ้อเจ้าก็ไม่กล้าจะดึงตุลาก็ไม่กล้าทําให้เรามีสินนะ สติทาให้เกิดศีลเป็นคุณธรรมโดยอัตโนมัติเล ย, รรมมเลยอันนี้มีประโยชน์เราอยากจะมีคุณธรรมนะเรามีแนวติจาที่ททสติรู้ท้องพันตัวเราไล้วก็คุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจใ น, จนั่นเอในชีวิตประจำวันเนี่ยกับการทํางานเนี่ยนะมันจะรู้สึกมีคุณือนำเกิดขึ้นในใจิตใจสติทําให้เกิดสมาธิเลยนะการทางานถ้ามีใจหยุดจอดอยู่กับ ง, งานเนี่ยไอ้ที่สกคัเรามีสมาธิ่างงานงานก็ไม่ผิดพลาด มันจะมีความเมิ่บยานในการทำ ง, งานให้ที่จใจจะวอกแหวกรอเวลาเลื่อนเมื่อไหรหรืออยากให้ผลงานขนาดไหนถ้ามีสติจะสร้างที่จะเกิดคุมกับงานในปัจจุบันไม่ไปติดไปได้ภุมิสรีเป็นในเรื่องของยิ่งกาดเตี้ยเรื่องความภุมิสรีความไม่กับประมวลหรือความสงสัยต่างๆสติสามารถทำให้จิต เ, เกิดสมาธิตั้งมัน งานเขไม่สิทธิภาพงานเขาไมรู้สิทธิภาพไม่เป็นคนที่หลงที่ลือันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สูงขึ้นไปถึงสมาธิเราไม่ได้ทําสมาธิในรูปแบบแต่อาศัยรูปแบบการทํางานของเราเนี่ยด้วยส ต, ติและจิตใจก็เจ็จรอมันก็มีคุณธรรมและมันสนุกนะมันเพลิดเพลิการทํางานเมื่อเกิดสมาธิรั้จิตใจกะสงบนิ่งกับการนับจะเกิดปัญญารู้จักต่อเล้ยงใหม่รู้เท่าทัน กายรู้จััวใจเรารู้จักตัวเราเองสามารถแก้ระ่ักจิวใจเราได้มันเป็นตัวปัญญาปัญญาแปลว่าครอบรู้ในกองสงคายรู้จักตัวเราเราถ้าสงสัยว่าเราจะรู้จักตัวเองไปทำไมจับ ร, นะ ร, รู้จักตัวเองไปทำไมมันนีประโยชน์นะเรื่องการรู้จักตัวเองเนี่ยมีประยชนมากมหาศาลเลยถ้าเรารู้จักตัวเองเม่อไหร่แล้วก็ เราเข้าใจพอเราเป็นความตามความติดจิตว่อกายใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเท็แค่แน่นอนไหมเราสามารถควบคุมมันข้ามบัญชาได้มากน้อยแค่ไหนที่เราเป็ทุ่มเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักตัวเองเราทำตามความคิดและมีวความคลาดหวังว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างไงเราไปคิดมั่นถึงมั่นเป็นทุ่มเพราะความคิดมั่นถึงมั่น ยึดมั่นถืมั่มืนนมอแล้วก็เราจะคูกหนักทันทีเลยแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เราจะไม่วิติดแล้วเมื่อกายป่วยกายต้องตายต่างๆลงไปเนี่ยมันจะเข้าใจอ๋อล่างกายก็เป็นที่เกิดธรรมาชาติเป็นมีแก้เคลื่อนอาศัยเราไม่มามารควบคุมมันได้แล้วก็ใช้กายเป็นประโยชน์เมื่อป่วยไข้ก็ไปรักษาทำร่างกายให้ดี อ, ออกกําลังกายพักผ่อนพยาบ า, าที่ถูกต้อง แล้วก็ไมเอากายไปทำั่วงทำแต่ความดีเรื่องของจิตใจนะคนเราเป็นทตัวควบความคิดจิตใจที่มันปรุงมันแต่งมันปรุงไปทางดีเราก็ดีใจมันปรุงไปทางร้รง า, งรายเราก็เสียใจจิตใจเราก็ขึ้นลงตามอาการปรุงแต่งของสิ่ถ้าเรารู้จักเข้าทันในความคิดในร่างสื่อแล้วก็ปฏิบั ต, ติสระจากอาการเหล่านี้แล้วก็สามารถควบคุมใจเราให้คิดในสิ่งที่ดีได้ เลาใจมันโรธเราก็รู้จักระงับปิดระงับใจให้มันหายมันเบาลงเราจะใช้ปิดที่มันคิดในทางที่มันให้เรามีครู้จักหยคิดในสิ่งที่มันทาให้เราทุกข์ทุกสามารถควบคุมจิตใจเราได้ระดับเลยแก้ปัญหาใจเราไม่ให้ทุกข์เราสามารถจะค่อยกัดใจเราได้เลยเพราะเรารู้เท้าทันอาการของเราอย่ากท้อแท้ แล้วก็สามารถให้กำลังใจตัวเอราได้นะไม่ตนะ้องไปรอรับรกำลังใจจากผู้อื่นยามดีกว่าแล้วก็สามารถสร้างความหวังนตัวเงได้ควบคุมได้ันะ้แหลมเราจะไม่ยึติดในสิ่งนี้แต่เราทํากับเขาอยา่างถูกต้องเราจะสามารถเรียกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นทำให้ร่างการเป็นคนดีคุณธรรมไปเลยนี่เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์นะ การรจัตัวเองแล้วความทุกขไม่เกิดทุกข์ม่เกิดเมทุกไม่เกิดเนี่ยมันจะมีความสดชืนเบิกบานเรามักจะมองว่าความสุขแท้จริงนะต้องอยู่ภายนอกแต่ไม่ใช่หรอกความสุขเนี่ยมาอยู่ที่ความเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเรามาา้างเท่าแล้วมีความสุขมากเท่านั้นสุขภาพดีถ้าไม่สุขภาพกายในดีไปด้วยนะตัวเองดี แต่ก่อนที่จะเข้าสูป่ปฏิเนี่ยผมไม่เคยรู้จักตัวเองเลยคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีพอแล้วเรียนจบแล้วเราคิดว่าเนี่ยรอพอยเราพอมตัวแล้วเรียนจบแล้วออกมาทํางานผมราช ก, การอยู่ในกรมภาษาอะไรที่เป็นกรมการขนส่งอากาศผมกรมภารา <c oughs> เวลาทํางานงงคาาเเนเดียวเราต้องขอเนี่ยกรมเราทำทำไมอยู่คนเดียว ผู้พัฒนาศาก็มีตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยพระษาฆ์เป็นอาจารย์ก่อนเน่พอเราสอนไปหรือเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยพระษาได้แล้วก็ปูุกใจแล้วหมออันนี้ต้นไปเนี่ยวิธเราจะต้องมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวัเพราะเรากล้ามาถูกต้องแล้วผมจะไม่มีการผิดพลาดแน่นอนชีวิตนี้เพราะมีความมุ่งหวังว่าจะต้องทําอย่างนี้แล้วสามารถทำได้หรือดูตัวเลขแล้วเราทําเพื่ออะไร ที่เราภูมิใจเนี่ยเราเราภูมิใจเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่าอ๋อเพื่อความสุขเพราะเราทํางานเนี่ยให้ผลคือต้อได้รับความสุขมีความสุขเป็นหลอเลี้ยงในอาานาคตเนะ่ะไม่ใช่ปัจจุบันนะน้องในอนาคตต้องทำงานได้เลยมากๆทํางานให้กำไรมันดีงานให้สูงเพื่อสูงขึ้นจะได้เงินเยอะเยอะมีเยอะไปทำไม เขาเลจะไปซื้อหาความสุขนสนั่นอยากทาตาสูงทางตาการดูสิ่งที่เราชอบความสุกขทักหูเสียงไพลราะหนูนั้นฟังเพลงได้กีิ่รหอมสัมผัสสิ่งนีุน่มั่วนดีนะฮะรสอร่อยเข้าไปในร้านธนาคารสถานที่โต๊ะเลยผมก็คงจะมีความสุขกับสหาที่เต็มตะจิตจรจะได้ มีความเบิกบานชื่อมีความสนุสนานมามน่ยไอ้คนสดชื่นเบิกบานเมื ก, ก่อนไม่รู้จักสนุสนาท่าเดียวทำอะไรก็ตายมันสนุกสนานไหเล่กีฬาก็ไดล่นจริจังให้มันสนุกเขาไหมปวเจ็บไม่เป็นไรให้ใจมันสนุกผมคิดในทีแค่นี้คิดแต่ความสุขทางเงนื้อหัแลวก็ผิดว่ารอความสุขเพื่อหน้ามันก็ผิดกว่าตั้งแต่รอแล้วใช่ไหมเขาก็รอเนี่ยมันก็ยังไม่สมกว่า เราไม่สามารถจะลืมความสุขตนเองไปทันวันได้เรารอความสุขในเรื่องหน้าที่จริมันก็มันก็เป็นจริงได้เหมือนกันนะจะบางทีมนไปให้ถึงที่ตืมไัว่าความสุปัจจุบันมันก็มีอยู่ครั้งที่เราทํางานเนี่ยการทำหน้าที่เป็นครูมาละสอนเนี่ยเราทําหน้าที่อี่างูต้องเต็มที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาไม่เบียดบังไม่คัดคอกมันก็มีความสุขแล้ว แต่เราไม่ได้สังเกตตรงนี้ว่าความสุขมันต้องได้สองขั้นได้รับเกินได้ซีได้ขั้นได้โบนัสสวัสดิการนั่นคะือความสุขเป็น้อยได้โบนัสสวัสดิการมีความสุขดือ ค, ความสุขในปฏิบัติความความสุขไว้กับอนาคตพอสุดท้ายมันเข้าไปไม่ถึงด้วยความไม่แน่นอนองชีวิตนี้แหลความไม่เที่ยงในชี้เมียจะต้องกลายเป็นคุณอยู่สภาพถี่การและตลอดชีวิตด้วย ต้องมีการตลอดชีวิตตองให้คนอื่นคอยช่วยเหลือไม่สามารเสือกเองได้อย่างเงี้ยมันก็สิ้นหวังทั้งหมดหวังความสุขมันก็ไปในสิ่งและมันไม่มีทางจะหาความสุขได้ต่อไปแล้วบางคนอย่างเงี้ยนะคนที่สภาพอย่างเงี้ยดูหนังก็ไม่กระดุบฟังเพลงก็ไม่ฟังถ้าไปเจอเพลงที่มันดีทันจิตใจเราก็นอนไปกุกไขแดงเพลงกัน ท่านี้ประกอบเพลงเนี่ ย, ยฟังแล้วมันสรุปชอบแต่พอตอนสัปดาห์ที่นี้แล้วเนี่ยฟังแล้วมันไม่มัน ก, กันแล้วไม่สรุป ก, กันแล้วมันหนมดสรุปและน่าจิตใจแล้วเพราะใจนี้ ม, นมีแต่ความตุ้มลองนับเอลยแล้วคิดเปลี่ยนหาต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าคืนไม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ก็อสายหาความสุขใน่เก็ต้องเป็นลมผิดลมภาษาค่าตัวตายเลยนะอาศัยที่ว่าเราเรยอยากรวย มีบุญป่าทำบุญไปเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อ๋ออากที่เราจะแสบหาความสุขเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเราคิดด้วว่าจะอยู่ยังไงให้มันไม่ทุกขจะมีชีวิตอยู่ยังไงให้มันไม่คุกข์แต่สภาพเต็มเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเข็มเลยจากหาความสุขมาอยู่กับความไม่ทุกขจะทำอย่างไรถ้าเราเดินทางผิดคิดผิดแล้วเปลี่ยนได้เปดยนมาคิดได้ทั้ที่เราจะคิดว่า จะอยู่อย่างไรให้มันได้รับความสมุขมากๆอันนี้เป็นการคิดที่เราต้องนิดถึงตรงนี้นะแต่คิดว่าเราเจะทำไงให้มันหาควา ม, มาสุขไดมากๆเปลี่ยนจากอยู่อยไรให้เราที่เรามความสุขอยู่อยไรให้มีความสุขอยู่เพื่อทํางานในองค์การขนส่งทางอากาศเนี่ยอยู่ที่นี่มีความสุขอย่างไรไม่ต้องให้มีความสุกต้องเลิกงานแล้วไปเที่ยวอันนั้นไม่ใช่อันั้นก็ได้แต่เอาตรงนี้ก่อน ทำงานอย่างไรให้มีความสุขมันจะได้ความสุขกรอนเอาความสุ ข, ขนาคนเองมันใช้ในปัจจุบันแล้วเจอนามคนอีกทีเจอความสุขอีกแลก็เป็ความหลทีผมก็เลยเลิกคิดแต่งความสุขทำยังไงมันไม่ทุกข์ในทุกข์มันน้อยลงจะทำยังไงแต่ก็โชคดีนะที่ได้เกิดอยู่ในเมืไทยแล้วก็อยู่ในต้นตรมขันธรรมางามหลักทำหรักทำที่นาใจคทุกข์เนี่ย มันอยู่แล้วในธรรมะในพุทธศาสนาก็เลยเอาศึกษาหลักธรรมโดยการฟังแล้วก็ได้รับคาแนะนําจากกาลยา น, นิษฐครูบาอาจารย์เพื่อนผูวิธีการอย่างนี้มันสามารถดับแก้ปัญหาจิตใจเราได้เขาก็แนะนําสุภพ่อคุณแม่เพื่อนเขาก็าาาให้มาอภิบาลให้เราศึกษาศึกษาแล้วอ๋อ หลักการในการทำเพื่อความค้นทุกข์ลอยสิ้นเชินะั้นก็อาศัยหลักการเจรติสติปัญฐานีเคยได้ยินไหอันนี้เป็นคําวันนะแตไม่เป็นไรนะฟังเอาไว้ก่อนถ้าไม่เคยไี้ก็ยีนตอนนี้หลักสติปัญฐาสีคือเจรติสตินในชีวิตประจำวันเนีผมก็ใช้หลักเนี้ยเอามาแง่ศาสนาซีคือการปฏิบัติธรรมก็ได้เรื่องปฏิบัติธรรมก็ได้ ใช่คิดอยู่ในการมีสติผมก็ไม่ได้ทำ ง, งานนะออดจากการสต่ก็ออกมาใช้ชิดที่บ้านไม่ได้ไปที่วัดมีสติเฝ้าดูตัวเราแต่ก่อนเราไม่เคยดูตัวเราเลยรู้แต่ข้างนอกแย่ปัญหาแต่ข้างนอกให้ข้างนอ ก, กมันรุงใจเราไป็เพื่อจเกลี่เราไม่เคยปรับใจเราให้ตรงกับให้ความเป็นจริงข้างนอกเลยสติมันกลับมาดูตัวเราเลยโอใจเราเนี่ยันคิดผิดคิดไห้ทุกอย่างไม่ใจไหว ให้ใจเราเนี่ยมันทําในลุงอยากให้ได้เอใจหวังเอาใจตัวเองทำได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเานะมันไม่ถูกใจเพราะว่ามันไม่ได้ใจเราก็เลยเข้าใจอ๋อไอ้ร่างกายที่มันพิการเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องร่างกายที่เราไปทุ่ว่าเราใจเป็นปูพันก่กาายเราจะต้องเ ป, ป็นปกติจะต้องแก่ช้าตายช้า จะต้องเป็นโรคอะไรเป็นได้อายุรุนแรงพวกกลุ่มการแหงใจว่าแต่ท้อสติกลับมรู้ตัวเองอ่อร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามทติของมันมันจะต้องมีความทุกข์ต้องแก้ปัญหามาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค้ได้ป่วยแม้ไม่มีการเนี่ยไม่มีการเพราะอุบัติเหตุนี้อาจจะเป็นโรคมะเร็งก็ได้อาจจะเป็นโรคเอชก็ได้อาจจะเป็นโรคไตแรงต่านๆสาระหนักอยาง การร่างกายมันต้องเป็นแน่นอนดีแล้วคุดเิดพิการซะ ก, ก่อนแล้วเพื่อเร า, าไม่ทำร้าร่างการมันต้องติดป่วยรู้ความจริงของร่างกายถึงเราเปนคนร่างกายเป็นปกติหน้าตารอเราแต่มันก็ไม่คุ้นแก่นี่มันก็เป็นคุ้นตายเหมือนกันแหะจุดจบไปพบกันเป็ความตายเพราะฉะนั้นมันไม่เสียใจยเลยแนมะ้ร่างกายมันพิการมันจะขาดที่ว่าสองข้นก็ไม่เป็นไร พอเข้าใจมาแล้วมันทับติดไปอย่างนั้นเองอเราที่จะไปวุ่นวายอะไรกับมันเขาเห็นกินให้มันรอนตามหน้าที่เรื่องของใจมันก็เลยหมดปัญหาเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดมันถ้าเราไปยึดติดมันเพื่อในใจหวางเนี่ยเราต้องเป็นทุ่มเทเราเป็นคนที่าการเมื่อไหร่เรากระหายวิตกวุ่นในเรื่องเนี้ยแล้วมันก็อย่างทีการต่อชีพมันก็ไม่หายด้วยเลยยองกลับยอมกลับมาดูแลกันพอสมควร ไปนเป็นตัวจิตใจเราใจเราในเรืงคิดไปยึดติดให้ความคิดอารมณ์ตา่างๆมันปรงแต่คนเนี้ยเร็วร้ายมาเรื่องบางอย่างไม่ใช่ปัญหาแต่ใจเรามันเป็นปัญหาเสียเองให้ใจเราให้ความคิดนี้กันเชื่อไม่ได้ไปรเดี๋ยวมันก็รักในคนคนเดียวนะเดี๋ยวมันก็รักหรือมันกระโดดหรือมันก็เบื่อไอคนต้องฆ่าเราเนี่ยคนงทีอขาเป็นคนดีแล้วมองในแง่ ความสในองคเป็นคนดีมากนะคนนี้นะหน้าเขาตั้งสื okay, ส่อเป็นคนเรียบร้อยตรงใจเย็นเห็นเขาเป็นคนดีเพราะอารมณ์เราดีแต่อมาวันหนึ่งเราเครียดมาจากที่บ้านเดิคนเดียวกันหน้าเดียวกันในทีมงานนี่ทำไมต้องคนอย่างนี้บางทีอารมณ์เราดีแต่คนรอบข้างเขาต้องปกติแต่บัตรอารมณ์เราปกติแต่คนรอบข้างกาไม่ปกติถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ย เราจะาจารักษาจเาให้กลนให้เป็นปกติในท่ากลางความไม่ปกติคนรอบค้างไม่ปล่อยความผิดปกติครบคบาที่มันพูดวายยิ่งเง่ามาทำร้ายเป็นของติดหวใจราได้สติตาสามารถควบคุมัณหาใจให้เป็นปกติได้เราก็ไม่เดือดร้อนแม้คนรอบข้าก็าจะพูดวายมีไหมแตบบ่เอคนรอค่างพูดวายเด็เกมันก็โกมันก็ผงิดในคนคนเดียวกันใจรอกเหมือนกันนะ่ะบางทีใจร้อนก็พูดวายเนี่ยครับ คือลวงเรางขาอ็รักษาใจเราไว้นะเราเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นได้เปลี่ยนยากมากแต่เปลี่ยนใจเราเนี่ยคือทำความเข้าใจเราขอคนเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้เองตั้งแต่แรกจะไล่เขาเป็นอย่างนี้ประวัติชิตก็ต้องเป็นอย่างนี้ยอมรับในความดีพอเป็นครับแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องเขาให้ถูกต้องในการที่เข้าใจเราก็ต้องให้มันดูดีเราเข้าใจติดเราอ๋อใจเราเดี๋ยวนันก็ดีแล้วก็ร้ายเดี๋ยวันก็หลง เข้าใจมันจิงมันก็ดติมันไม่ได้นะยึดติดมันก็ได้ประคับมันไม่ได้แต่รู้มันได้การที่เรามีสติให้ตอนเรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถรู้กายรู้ใจเราว่าตามความเป็นจริงเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ยึติดมันแล้วเข้าใจนะเข้าใจเรื่องกายแล้วใจเข้าใจชีวิตเลยการเข้าใจชีวิตนีคือการปฏิบัติธรรมวางจิตวางใจกับกายกับจิตที่มันปิดกติดได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องไปคุกกลับเลนดิเลยไม่ได้สวงหาความกุก่มชะนะคนนะมันเป็นความกุ่ที่ไม่ต้องแสวงเมื่อเราเข้าใจตัวเราเลยมันมีความกุ่มีความเหมือนฟ้ามีความเหมือนฟ้านในตัวมันเองสุปที่ไม่ต้องแสวงมันก็ไม่เหนื่อยเข้าใจ เ, เองยิ่งเกินความคิดคิดมาว่าไอ้คุณค่าและความหมายของคิดที่ได้จริงนะ ไม่ใช่ที่ร่างกายรอคุณค่าและความหมายของชีวิตไม่ใช่ว่าเรามีวัตถุอะไรา ม, า ม, ม, ม, ามากมายมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่งคั่งหรือมีการยอมรับกับผู้อื่นหรือมีคนที่คนก็นับหน้าหรือตาอันนั้นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงหรือนอกจากความจาการคนที่รูปร่างสวยงามอันนั้นก็ยังไม่ใช่บาปอย่างที ความหมายแท้จริงคือดีใจเราใจเราไม่ทุกมีความเบิ่บปานติดใจแล้วก็อันนั้นเป็นความหมายของชีวิตชีวิตเขาเลยมีดีใจสําคัญนะชีวิตดีใจยังไงถ้าใจเราเบิ่บานไม่ทุกข์ประกอบนั้นเป็นความหมายที่ถูกต้องมีสุดเลยแม้ร่างกายจะแข็งแรงเป็นคนดมีทุกอย่างเพราะแต่เบางทีเราก็ไม่ไับเพราะความทิดสุดแต่เข้าใจไม่ดีที่อาหารแต่งโต๊ แต่ใจที่อยกกเนี่ยมีแต่ความกำหนวลทัวันที่นอนราคาแพงแต่กินเราก็อนอนไม่นอนวางใจไม่ดีใช่ไมนี่ที่การทำานตำแหน่งที่งารสูงถ้าวางใจไ ม, ไม่ถูกเลยมันเป็นทุกเท่ากับตำแหน่งเลยนะตำแหน่งสูงก็ทุกมากนะทุกกับหูมือนกับถ้าวางใจไม่ถูกต้องคือมีความผิดติดยายทุกอย่า ง, างแต่ที่ใจเราวังดังนั้นสิ่งาำคัญคือต้องเลี้ยที่จิตใจครับ คุณค่าได้กนคามหมายทีวิตอยู่ที่จิมันไม่ทุกข์ไม่ติดไม่ทุกข์เ ด, ดไม่ต้องไปหาความสุขหรอกไอความสุขที่เหกิดมาเป็นสุขภายในมันเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องกังวลใจในส่วนนี้แล้วทําให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนมีตั้งใจมีแน่ตาให้เอาใจไม่เห็นกลัวเลยนะชอบช่วยเหลือเปลือยแพ้เห็นไประโคนอื่นมา ก, กาประโยชนองตนมันเป็นไปได้ ตแล้ว่าเ็นไ ไ, ได้แต่เราสมโตแล้ว่พอใช่ประโยอื่นเนี่ยมาคุยกันได้นะเพราะเราได้รับแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องการมิตริจิตมาละอา ย, ม า, ายมาเกิดคุณธรรในจิตใจมาละอายลอายชั่วกลัวปะแต่ไม่ลงเกียรคนบาสนะไม่ลเกียรคนบาปไม่ละเกียร ค, นะ ค, คนชั่วแต่ละเกียรความชั่วคนชั่วความชั่วต่างกันนะนะ คนทำไมนม่รู้เรื่องราวอะไรความอะไรเรื่องของกิเลสมารู้จักแยกได้ว่าอะไรควรที่จะเอาชนะอะไรควรที่จะเข้าใจคนเรียนต้องเข้าใจแต่ี่เลสก็เอาชนะมันเริ่มเข้าใจตัวเองก็ตะจีบเซลล์ก็จะมีการเพื่อปูแบ่งปันหรือรับใให้เรีนอยู่กับคนอื่นแบ่งปันทาหน้าที่กับคนอื่นตั้งแต่คนรอบข้างรอบตัวช่วยอะไรเขาไม่ได้ ก็ยิ้มไม่ขอได้ยิ้ไม่อได้ผู้ไหนเขฟังทักตัย้ายเขาดูอยู่้องเห็นเย็นได้ขได้ตังคาเริ่มต้นจากัวเราและคนรอบข้างก็ได้รับประยนคนในครอบครัวคนในที่ทำงานคนในโลกเราสามารถช่วยก็ได้แต่งปันก็ได้กราทั่งธรรมชาติต่างๆก็ไม่เคยเย็นเยนสิไม่ร้อนก็ไม่ทำลายมันเกื้อคู่ด้วด้วย เรสามารถเกือกูลคนได้ไหมแล้วก็เราการคนที่มีค่าทันทีมีค่าดีราคาแล้วก็มีความสุขความสุขในตรงเนี้ตรงที่สามารถช่วยคนอื่นได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องวางนใจแต่โอ้มันจะเป็นไรว้ามันเป็นกรรมของเขาเขาต้องเป็นอย่างที่เองรักษาใจเราให้ป เ, เ, เป็นทุกเมื่อช่วยหรืออะไรก็ไม่น่ามันได้ปัญญาตรงนี้มีบุญธรรมทำเร็จเลยเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยที่นั่นงนี่เนี่ย ก็ว <âm. S 1> ่าทุกคนได้โชคดีนะเกิดมาโชคดีแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ในความดีและทุกคนที่ไม่มีการด้วยอีกโชคดีสองชั้นทุคนที่ไม่มีโรคภัยเดียดเดียก็ยิ่ดีเนี่้วเป็นราษยังนีคนที่ไม่มีโรคภัยเดีดเดียกจะเป็นมากอย่างดีเป็นยอดของราษในขลยกคนที่ไม่มีโรคภัยเดียดเดียกถ้ร่างกายแข็งแรงไปปกติเนี่ยถือว่าโชคดีแล้ว แต่ว่าเลื่อนอกมาอย่างที่ว่าเราเะีู้เองที่จะบอไปมันไม่แน่เราต้องเผชิญหน้ากับความไข้เจ็ป่วยนะเจ็บติดใจเรื่อยๆต้องเผชิญหน้าความป่วยไข้เรือธรรมดาเผชิญหน้าความตายที่จะมาถึงเราตับทุกคนเลยเรื่องคิดว่าโอ้เราอาจจะเราไม่รู้กลุบมคนพิกา ร, ร, กา ร, รก เ, เราลองมีสิทธิ์กลุ่มคนิการเหมือนกันนะที่จะเราปกปิดผมเคยคิด ม, มกาก่อนแลวว่า โอ oh, เราจะอยู่สภาพเช่นนี้ที่เราก็เป็นแบบนี้ไม่เคยคิดมาก่อน mm hmm. เพราะความไม่ในเราในชีวิตเนี่ยมันไม่เข้าไปออกใครนะเพราะฉะันอย่ากมาเราเช้โอกาสนี้แล้วฝึกเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตสึกตาชีวิตด้วยการมันฟังธรรมะมันฟังคำตัณเตณจากกาลยาม น, นี้เพื่อรู้จักตัะเวนมากยิ่งขึ้นแล ะ, จะใจนี้คือการฝึกเจริญสติในชีวิตจังหัะ เพื่อเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มันเป็นจริงให้มันเห็นของจริงแล้วมัจะไม่คิดมากหรือมากนักใช้กายให้เป็นประโยชน์พอเข้าใจตัวเราแล้วจะใช้กายให้เป็นประโยชน์ใช้ใจให้เป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบีนตัวเองเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตทำงานดีการงานดีถ้าใจไม่ดีใงานมันก็ไม่ดีนะถ้าใจดีงานมันก็ดีไม่นานไม่เสร็จใจมันก็ไม่ทุกเนี่ยมารักษาใจเพืปกปบดติางหา นั้นมาเรียนรู้ชีงิตสักก่อนที่จะไม่มีชีวิตจะเรียนรู้นะอันนี้ก็หรือว่ามาแบบฝันกันไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนใหญ่จะมาเสนอประสบการณ์บางอย่างให้คิดปัญญาเรื่องของชีวิตเรื่องาาการทํางานกนคิดว่าท่านเนอาจจะเลือกประโยชน์กระสิ่งขอ่ผมพูดว่าน่ากระ น, น้อยนะก็ขอไปแรงกระดานใจคนท่านมีกําลังที่จะเผชิญหน้ากับ ปัญหาชีวิตที่มันถาผมเข้ามาด้วยจิตใจที่เป็นปกติอย่างมีปติและลาา ก, ละกไ็ได้รับชัยชนะจากเอาตูสายังโบราณท่าน